วันเสาร์ที่เก้าตุลาคมสองห้าสามแปดนับเป็นครั้งที่เก้าของการบรรยายธรรมเรื่องปริญญาปัญญาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตย์าค่ะพระคุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนทั้งหลายปริญญาปัญญาวันนี้จะนําเอาปริญญาลําดับที่สองที่มีชื่อว่าเทียนะปริญญาซึ่งเป็นอยาตาปริญญาคือคนที่เป็น ปริญญาในโลกุตละยานส่วนหนึ่งที่เราได้ขยากไวเพื่อพูดรวมกันในชั้นท้ายสุดของการบรรยายและอีกส่วนหนึ่งยาที่อยู่ในของโลกีย า, ยานโลกีย า, ยานที่ปัฒนายานนารูปทางถึงโรมยานเป็นยานท้ายของฝ่ายโลกีสำหรับเทียนะปริญญาที่อยู่ในส่วนของโลกีย า, ยานนั้นปรากฏอยู่ใน วิปัสนาญาณที่สามที่สี่จนกระทั่งเลยไปถึงอนุโลมญาณซึ่งเป็นญาณสุดท้ายของโลกีญยาณยด้วยจึงเรียกว่าเตระณะปริญญาโลกีญาณก็จะให้ดูโดยลำดับของประเด็นที่จะบรรยายที่กำหนดขึ้นเป็นเอกสารในประเด็นที่หนึ่งได้วางขอบเขตของเตระณะ ปริญญาที่แปลตามชื่อว่าปริญญาพิจารณาคำว่าเตียนะนั้นแปลว่าพิจารณาก็ได้แปลว่าพินิจก็ได้แปลว่าใคร่ครวนก็ได้แปลได้หลายํานวนในภาษาไทยซึ่งอย่างไรเทียก็จะต้องจาและส่งความหมายของคำว่าเตียนะที่มุ่งหมายถึงการพิจารณาก็ดีใคร่ครวนก็ดีในแง่ของภาวนาปัญญา ไม่ใช่ในแง่ของกินตาปัญญาหรือสุดตามมยะปัญญาอย่างที่เราพูดกันในความเข้าใจชั้นภาษาไทยดังนั้นปริญญาพิจารณาจึงหมายถึงการพิจารณาเจาะลึกเข้าไปสู่นามและรูปเรียกว่าพิจารณาคือทําให้ลึกกว่าการอย่างรู้ในชั้นภายนอกของความเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นในนี้ได้ว่ า, าหนึ่ง รู้เทียนะปริญญาเนี่ยนะตัวรู้นั้นเรียกว่าปริญญาปัญญาซึ่งเป็นคําที่ผมได้เรียนว่าบางทีจะสับสนบางแห่งก็ปริญญาปัญญาก็หมายถึงทั้งหมดแหละแต่สําหรับในที่นี้ท่านเรียกเทียนปริญญาซึ่งเป็นอาการของปัญญาชนิดที่เรียกว่าปริญญาปัญญาคือปัญญาที่กําหนดรู้รอบหรือปัญญารู้รอบ ก็ดีปัญญารอบรู้ก็ดีตามศัพท์เนี่ยโดยความหมายจึงกำหนดอารมณ์ลงไปให้ชัดว่าที่ว่ารู้รอบรู้รอบรู้นั้นไม่ได้แปลว่ารู้สารพัดมันกลายเป็นว่ารู้จำกัดซึ่งผิดกับความหมายในทางภาษาไทยอย่างกลับตลปัดเลยเราจะนึกทบทวนได้ว่ายาตาปริญญาเนี่ยที่ได้พูดมาแล้วรู้ สารพัดกว่าตีรณปริญญาทําไมถึงว่าสารพัดกว่าเพราะว่ายาตาปริญญานั้นกําหนดรู้สภาวะธรรมเท่าที่มีทุกตัวตามความเป็นจริงเช่นเจตสิกสมมติว่าเจตสิกห้าสิบสองในยาตาปริญญาก็ต้องรู้หมดว่าเจตสิกตัวไหนมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างไรรูปยี่สิบปดยาตาปริญญาก็จะกําหนดรู้ลักษณะเฉพาะของรูปยี่สิบแปดว่าเป็นอย่างไรบ้าง แม้จิตก็เช่นเดียวกันแล้วก็ยังรู้ไปถึงว่าบรรดาจิตเจสิกเหล่านั้นมีหยาบมีละเอียดมีภายในภายน า, ามาแล้วนั่นแหละเป็นการรู้ขั้นยาตะคือรู้ตามเนื้อผ้าของสภาวปะปรรมธารมแต่พอเลื่อนเข้ามาถึงศิรณปริญญารู้เจาะเข้าไปถึงความรู้ที่เป็นส่วนรวมเรียกว่ารู้อย่างในทางเรียก ที่เราเรียกกันว่าจับหลักจับหลักร่วมได้ของความเป็นจริงเหล่านัา้นว่าเวทนาแม้ในความเป็นจริงเฉพาะตัวจะต่างกับปัสสาวเป็นต้นแต่โดยความที่มีลักษณะร่วมเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันโดยความเป็นธรรมที่มีการเกิดขึ้นมันอยู่รไปหรือ อะไรลักษณะนั่นแหละที่เราจะได้พูดกับไอ้สองอย่างเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกันแต่ไม่คิดก็เหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่พิจารณาแล้วก็เหมือนเป็นคนละเรื่องกันมันเกี่ยวข้องกันยากแยกไม่ออกความเกิดความตั้งอยู่และความดับไปกับอนิจจังทุกขังมาตานะอย่าไปนึกว่าเป็นอันเดียวกันว่าอนิจจังคือเกิดทุกขังคือตั้งอยู่ อนณาชาคือดับไปจับคู่ให้นราดูเราดูเป็นสามก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับมันมีลักษณะลีบลั่นอยู่นะผมยกประเด็นที่จะบรรยายไปแล้วก็เป็นอันว่าในนี้ท่านได้วางอารมณ์เอาไว้อารมณ์ของปัญญาชนิดนี้ว่าคือไตรลักษณาลามัลามมานิยัต์ัมมาิยาวิปัสนาปัญญาเ อ, อที่ใช้คําว่าไตรลักษณะ ตจลัคนาหรือใจลักษณะ น, นั่นแหละครับแล้วก็ต่อด้วยคําว่าอารมณ์อารมณ์อารมียะแปลว่าเนื่องด้วยอารมณ์หรือมีอารมณ์อารมณีย์เนี่ยแปลว่าเนื่องด้วยอารมณ์หรือมีอารมณ์คือความเกี่ยวข้องกันระหว่างตีรณะปัญจปริญญากับพระไตรลักษณ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันในรูปอื่นแต่เกี่ยวข้องกันโดยรูปของความเป็น ตัวรู้กับตัวถูกรู้อพูดกันอย่างภาษาคนที่เข้าใจธรรมะอย่างแน่นหน่อยก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกันโดยความเป็นอารำนาจปัจจัยยางเป็นตัวรู้หรือปริญญาเป็นตัวรู้นามรูปเป็นอารมณ์ให้รู้แล้วก็ต้องจำกัดลงไปว่านามรูปที่เป็นอารมณ์ให้ปัญญารู้นั้นหันมุมไหนด้านไหนไปให้ปัญญารู้ ตอบว่ามุมของความเกิดดับหรือมุมของไตรลักษณ์นี่คือจุดที่ปัญญาเข้าไปกำหนดรู้ต่อนามบุกดังนั้นจึงได้กล่าวผมยังอีกครั้งหนึ่งในการะราบาลีที่ลตัดเล็กเนี่ยว่าไตรลักษณารามณียะวิปัสสนาสาระาอาตาัดินะสาะอาคำว่าหลังยาหลัง ย, ยักษ ไตรลักษณารัมมานีลวิปัสนาปัญญาก็ใส่กำกับลงไปความจริงแค่คมอง่าัสนาเาพอใจชัดแล้วแต่เมื่อใช้คำว่าปัญญาเข้าไปเนี่ยวิปัสนาก็มีฐานะเป็นอาการรู้ของปัญญาปัญญาเป็นตัวรู้เชียนเดียวกับปริญญานะปริญญาก็เป็นอาการของการกำหนดรู้หรอกก็ได้ความว่าในชั้นของเตียนะปริญญานั้นคำว่า รู้รอบรอบรู้ตรงนี้เป็นการรู้ความเป็นจริงอันเป็นส่วนร่วมกันของสภาวะธรรมทั้งหลายความแตกต่างของสภาวะธรรมที่สําคัญเห็นจริงแต่ในชั้นโลกๆเนี่ยเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันมากบัญญัติในความแตกต่างมากพอมาจับปรมาจา์เข้าความแตกต่างก็น้อยลงมีแต่เวทนามีแต่สัญญาหรือโดยย่อที่สุดก็มีแต่นามรูปแล้วก็ พอมาถึงปริญญานี้ความแตกต่างก็น้อยลงไปอีกมีแต่ความผกิดขึ้นตั้งดูดับไปหรือไตร ล, ลักษณ์เท่านั้นเองเพราะเรียงกว่ารู้รอกต่างความหมายในนี้คืองการรู้ที้มีผลออกการยกระดับของจริยธรรมขอ ง, ของภาวนาคาว่ายกระดับจริยธรรมเนี่ยคือจิตดีขึ้นความความดีมากขึ้นความชั่วน้อยลงนะ น, นี่แต่ผมก็ต้องพูดแถมไีกนิดหนึ่งว่าไอ คำว่าเห็นความแตกต่างว่าจริงๆมันมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีแต่วันนี้จะมีตัวอย่างเรื่องของพระกรรมฐานสมัยพุทธกาลยกให้ฟังนะฮะว่าก็เล่าแะตรงนี้ก่อนก็ได้ว่าพระองค์หนึ่งท่านเข้าไปสู่ป่าไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในป่าเสร็จแล้วก็ไม่อาจที่จะกระทําที่สุดแห่งทุกข์คือบรรลุ มักใดผลใดได้เลยสักมักเดียวผลเดียวก็จึงคิดว่าเราคงจะถึงจุดตันจึงได้ออกจากป่าเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโดยสำคันว่าจะขอมาฐานให้ดีให้เหมาะยิ่งกว่านี้จะได้บรรลุทำได้เมื่อได้เดินทางออกจากป่าก็ได้เห็นภาพมีลาดนะฮะไอลาดเนี่ยเป็นภาษาเราเรียกกัว น, นี้ภาษาในาาพระไตรปิฎกใช้คําว่า มะรีจิกะมะรีิกะแปลว่าเราก็ไปกันแค่รอยยับแดดซึ่งก็คือรอยับแดดที่ไม่ได้หมายถึงรอยยับอย่างที่เราเห็นกันเวลแดรอนเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงรอยับแ ด, ดดที่กลายเป็นภาพลวงตาพระองค์นี้ผู้กำลังคุณจิตจะนาดยย้วยกรรมฐานเมื่อห ม, ม, ม่เดินมาโดยลําดับซึ่งเป็นตูร้ร้อนแดดตอนนี้ก็เห็นภาพลวงตาเป็นไปต่างตา่างนี่คนที่อยู่ธรมานี่เห็นอะไรอะไร ตรงนันจะมาจากตีความเรือนมาเรือนี้เร่องนีงผู้ีอยู่กับวิพัฒนาในสมัยแสนท่าในวิพัฒนานแห่งใด้็เป็นเป็นวิพัฒนาเป็นเรื่องราว<ม>ดึงกลับเกิดได้ความคิดขึ้นมาว่าภาพเหล่านี้นะ่ะถ้าเรามองอยู่ในระยะไกลเราจะเห็นภาพซึ่งไม่มีด้วยสําคัญว่ามีแล้วไม่ใช่มีอย่างเดียวมันมเเนงงนีเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้จบสิ้นจริงไหมครับ คือถ้าเราเคยเห็นภาพเหล่านี้สิ่งที่ไม่มีก็เห็นว่ามีก็นึกว่าไอ้นามรูปในโลกนี้ความจริงมันไม่ได้มีอย่างที่เราเห็นมีเราเห็นว่าอย่างโน้นอย่างนี้ที่ภาษาการลำดับยานเนี่ยเขาจะใช้คำว่านานัตตาสัญญานานัตตาสัญญาใครที่เคยฟังพระสูตร บ, บ่อย จะได้คุ้นกับคำนี้อยู่แล้วนานัตตะสัญญานานัตตะสัญญาแ ป, แปลว่าความเห็นสัญญาในทีน่นี้ท่านยกเอาสัญญาเจตสิขึ้นเป็นประธานแต่หมายถึงการรับรู้นั่นเองครับการรับรู้ความนึกคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เห็นว่า เป็นต่างๆนานาบวกอัตตาอัตตาแปลว่าสิ่งที่ชาปุถุชนเห็นก็สำคัญว่าเป็นตนนะหรือเป็นเป็นตนเป็นของตนต่างๆของตนก็มีต่างๆตนก็มีต่างๆเราก็เป็นตนเขาก็เป็นตนในโลกนี้มีแต่ตนทั้งนั้นตนกับของตนเต็มไปหมดตนกับของตนต่างๆความสำคัญว่าตนของตน ในวัตถูการามทั้งหลายในโลกนี้จึงเป็นไปในสำนึกของกุตุชนโดยทั่วไปเหมือนอยู่ในโลกแห่งมิหลาสนะนี่เป็นโลกของมิหลาดเป็นภาพลวงตาบางทีก็พูดหนักไปถึงว่าเป็นภาพความรู้สึกของคน ว, วิปราชที่เดียวนี่เป็นเรื่องที่พระพูดตาราพูดพระอริยะพูด ผู้กำลังสแสวงหาความเป็นในระยะพูดหลักการพูดถึงความคิดของเราที่ไม่ได้เป็นไปอย่างหลักการว่าเพราะนั้นอย่างนี้เนะ่ะเราเอาตนเอาของตนเข้าไปใส่มากอย่างจาริยธรรมต่าลงโดยธรรมดานะนี่พูดถึงว่าโดยธรรมดาไม่พูดถึงคนที่เอาธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องไปใช้สอยจริยธรรมต่า ก็หมายถึงคุณภาพจิตตกแล้วก็กิเลสปรากฏตดขึ้นดังนั้นการทำวิปัสสนาเนี่ยครับแท้ที่จริงแล้วก็คือลดความเป็นลดนานตัตตาสัญญาลงใช่ไหมฮะในชั้นแรกก็คือเอานานตัตตาสัญญาที่มันเป็นเรื่องสมมติเนี่ยออกไปออกไปจนกระทั่งเหลือแต่สภาพบรารมัติอย่างในยาน ที่เรียกว่ายาตาปริญญากําหนดได้แล้วก็ลดลงลดลงจนกระทั่งจับอนิจจังทุกขังนัตตาได้มีแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นอย่างนี้เรียกว่าถอนมานัตาสัญญาที่มีอยู่ในสํานึกปกติของคนอ่าไอ้อย่างนี้นะพูดถึงอย่างไม่ดีแต่มันมีไอ้อย่างดีอีกชนิดหนึ่งนะฮะคือหมายความว่า พอคนหลุดจากนานัสสัญญาเข้ามาสู่สัญญาในทางวิปัสสนาคืออันนจ้จสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาแล้วเนี่ยพอชําระจิตได้แล้วเกิดญาณญาณที่ได้หลังจากนี้ท่านมียาณชนิดหนึ่งเรียกว่านานัสตานานาทาตุญาณใช้คําว่านานาทาตุญาณแปล ว, ว่า ยานที่ยังเห็นความแตกต่างของธาตุ น, นี่กลายเป็นอีกเรื่องแล้วครับคือหมายความว่าคนที่พอไอความหลากหลายเนี่ยมันมีหลากหลายเลวก่าหลากหลายดีนะพอคนผ่านตรงนี้ไปไปเห็นความหลากหลายอย่างชนิดที่เป็นธาตุถึงใช้คาว่านานาธาตุยานเห็นว่าเ ว, เวทนาเจตสิกที่มีลักษณะสะวยอารมณ์ มียาเป็นละเอียดมีการสั่งสมมีการอบรมแตกต่างกันมาพระพุทธเจ้าท่านก็มียานอย่างนี้เรียกว่านานาธ า, าตุญาหรือพระสาวกก็พอมีหรือแม้ในชั้นเราก็พอมีได้ถึงไม่เต็มบริบูรณ์เรียกว่าความเข้าใจกระแสะการอบรมของสภาวะรูปสภาวะนามของคนแต่ละคนอย่างเป็นอรหันต์ธรรมดาก็เรียกว่ามีปฏิสัมพิทาเห็นไม่สัมพิธานะ แต่เป็นอย่างเรานี่พอพูดให้พอให้นึกได้ชัดหน่อยก็คือเราเริ่มจะเข้าใจความแตกต่างของคนในโลกนี้ดีขึ้นและความเห็นความแตกต่างอย่างนี้จิตใจจะเบาจิตใจจะยึดถือน้อยลงจิตใจจะเย็นมากขึ้นนะซึ่งผิดกับเมื่อเรายังมีหน้าหน้าตาัญญาในขั้นปกติความร้อนมากความหนักมาก ความดีน้อยความสุขน้อยอะไรมันก็กลับตละปัดกันไปอย่างนั้นทันนี้ก็เลยเลยพูดเทียบแถมให้ฟังว่าคติยังธรรมะเนี่ยมักจะมีสองด้านอย่างนี้เสมอเวรานั้นว่าเราผ่านตรงนี้ไปก่อนนะเพื่อจับตัวปัญญากับอารมณ์ของมันเป็นหลักไว้ก่อนต่อมาก็มีปัญหาว่าที่ว่าเห็นพระไตรลักษเนี่ย ถ้าถามว่าพระตรายลักษ์ของอะไรในข้อสองกำหนดเอาไว้ชัดแล้วว่ารู้ซึ่งปริญญ ย, ยธรรมที่ควรรอบรู้หรือควรรู้รอบคือสามมัญยลักษณะอันนี้ก็เป็นการบอกถึงอารมณ์นะชี้ชัดลงไปว่าตัวอารมณ์ของยาตะปริญญาเนี่ย ถ้าพูดกันอย่างเรียกว่าเข้าชุดของภาษาภาษาของปริญญาว่าตัวปริญญาตัวของเตียนนาปริญญาเมื่อกําหนดว่าปัญญาของเตียนนาปริญญาเรียกว่าปริญญาปัญญาแล้วอารมณ์อะอารมณ์ของปริญญาปัญญาเรียกว่าอะไรที่ไม่ได้เรียกหรือก็บอกเมื่อกี้เรียกเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียกในลักษณะของคําที่เข้าชุดนะฮะ คือถ้าเรียกให้เข้าชุดก็ว่าอนิจจานุปัสสนาคู่กับอนิจจังหรืออนิจจธรรมใช่ไหมฮะยางเรียกว่าเรียกไปตามชุดแยกไปแต่ว่าถ้าเรียกให้เข้าชุดของความบริญญาของความเป็นบริญญาเนี่ยพระไตรลักษหรือสามัญลักษณะนั้นท่านเรียกว่าปริญญยยธรรมแปลว่าธรรมที่ควรรู้ควรรู้ของปริญญาปัญญา ปรินธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละครับสามัญยลักษณะนี่แหละเป็นปรินญยญธรรมท่านกรุณานึกย้อนไปสู่ยาตาปริญญายาตาปริญญาเป็นอาการรู้ของอภิญยาปัญญาและถามว่าอภิญยาปัญญารู้อะไรมีอะไรเป็นอารมณ์ก็ตอบว่ามีอาริญาญ ย, ะยะธรรมเป็นอารมณ์ ท่านเขา้าคู่เข้าชูดกันอย่างนี้นะะพอมาถึงตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอะนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพระไตรลักษ์ที่เป็นอารมณ์ของตีระนปริญญาเนี่ยท่านเรียกว่าปริญญยออยยาธรรมธรรมที่ควรรู้ก็คือไอตัวนี้นะก็คือใบปริญญาล่ะถ้าจะเทียบกันอย่างของเรานะคือใบปริญญาเป็นตัวยืนยันว่าเรามีปัญญาจริงเรามีความรู้จริงก็มีอารมณ์ เปรียบเหมือนใบปริญญาของปัญญาตัวนี้เรียกปริญญาธรรมคือธรรมที่ควรรอบรู้ก็เลยดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรมากจริงๆไอ้ตัวปัญญาก็เรียกว่าปริญญาปัญญาอย่างที่ว่านะฮะหรือเตียนะปริญญาเป็นปัญญาแล้วรู้ไม่ได้รู้อะไรมากรู้อยู่สามอย่างเท่านั้นเองอ่ะปริญญาธรรมมีอยู่สามอย่างเท่านั้นเอง คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่มีอะไรมากไปจากนี้แต่สามอย่างนี้มีพลังมีคุณค่าสูงประเสริฐอย่างยิ่งพูดยังไงยังไงก็เข้าใจกันได้ยากต้องตั้งสมมติฐานพูดกันเหมือนอย่างที่ปัญญาชนเขาชอบที่เขาสนใจทางศาสนาฟังพระเทศฟังนักปราชูด อ่านพระไตรปิฎกบ้างก็จะถามว่ามรแปดเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าจึงว่าสําคัญนักหนาเขาคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มองไม่เห็นว่าจะสําคัญอย่างที่ท่านพูดไว้เลยใช่ไหมฮะสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดว่าสําคัญสําคัญพระก็เทศบ่อยว่าสําคัญสําคัญสําคัญเป็นอาริยมรเป็นหนทางอันประเสริฐ แต่คนที่เขาเรียนได้ซื่อได้เหตุได้ผลเนี่ยเขาคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกไม่ใช่คิดเอาเฉยๆฟังพูดเข้าใจไม่ออกว่าสำคัญอะไรกันขนาดนั้นจึงผมถูกถามมาสองหนแล้วจากพวกปัญญาชนสองสามหนแล้วได้ท่าถามว่าอย่างว่าเนี่ยสำคัญช่วยอธิบายเข้าใจหน่อย คือเรื่องนี้นะ่ะมันต้องตั้งสมุิฐานพูดเพราะถ้าคนเนี่ยไม่เข้าใจทุกไม่เห็นทุกโดยความเป็นทุกเห็นทุกเป็นของมีคุณค่าจะเข้าใจเรื่องหนทางดับทุกว่าประเสริฐเนี่ยพูดกันไม่เข้าใจต้องตั้งสมุิให้ยอมรับพระพุทธศาสนาที่บายทุกแล้วก็วิธีเพื่อนำไปสู่ความดับทุก มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเพิ่งอธิบายยกๆที่นี่ออกไปก็หมายถึงไปตอบคำถามเรื่องนี้ค้าบพอดีผมก็ลำบากใจที่จะพูดให้เขาใจอย่างแจ่มแจม้งแล้วพูดแล้วก็เพียงแต่ว่าให้เขายอมรับทราบคติเรื่องนี้ไว้ส่วนเขาจะรู้สึกชัดหรือไม่ชัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้อธิบายให้เขาได้ความรู้สึกนั้นได้เพราะคนที่จะได้ความรู้สึกต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะ คนทำวิปัสนาวิปัสนาก็คือมรรคแปดนั่นเองใช่ไหมฮะถึงมันเกิดไม่แต่มอันนี้เราก็พูดกันแล้วในที่นี้อย่างเราไม่คล่องใจแล้วมันประเสริฐเพราะเป็นหนทางนําไปสู่ความพ้นทุกอย่างรู้ทุกโดยความเป็นทุกพ้นจากทุกขคือการเวียนว่ายแต่เกิดผู้อย่างนี้แล้วก็ไปนั้นว่ายิ่งไปกันใหญ่ขัดทุนกันใหญ่เลยขัดทุนในความรู้สึกเขาอะนะแทนที่จะทําให้เขาศรัทธาเฮก็เมินหน้าหนีธรรมะ เลยทีเดียวเพราะฉนั้นจึงต้องตั้งสมมติว่าให้คุณต้องลองเชื่อโดยสมมุติยอมรับหลักส่วนคุณจะเข้าถึงแค่ไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกของคนที่เขาเข้าถึงเนี่ยไปให้หรือไปใส่ความรู้สึกของใครได้มันคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้ตรัส ด, ด้วยในธรรมบทและในที่อื่นบ่อยๆว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่วันเดียวในคาถาธรรมบัเนี่ย เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของสังขารหรือของนามรูปวันเดียวนั้นความจริงก็ไม่ได้เต็มวันนะครับแต่ท่านพูดได้เต็มวันว่ามีชีวิตอยู่แค่วันเดียวมันไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วตายปับ๊บแต่เวลาเห็นจริงๆน่นไม่ได้เห็นทั้งวั น, นก็เห็นเดี๋ยวเดียวก็พอท่านว่าแค่นั้นชั่วเดี๋ยวเดียวก็พอชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็พอ แล้วก็ตายเสียประเสริฐกว่าคนที่มีอายุตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามของสังขารเนี่ยพูดแก่พระบางภิกษุณีบางในธรรมบทก็มีอยู่ตั้งสักสอง ส, สองครั้งในที่อื่นมีอีกในเทรคาถาเทลิกัถาก็มีพูดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ประกาศคุณค่า ของการเห็นค่าอยู่ที่การเห็นการได้เห็นมันไม่ได้อยู่ที่ความเกิดความดับไอ้ความเกิดความดับจริงๆตัวมันเองไม่มีค่าเลยเป็นปัญหานะแต่การที่เราได้เห็นความเกิดดับเราจึงพ้นปัญหาได้ค่าอยู่ตรงนี้เพราะนั้นตัวนี้นะเป็นธรรมที่ควรควรรู้รอบควรรอบรู้คือสามัญลักษณะ ไอ้คำว่าควรเนี่ยฟังดูก็มันเหมือนก็นเป็นอนาคตว่าเวลาบรรยายก็พูดว่าควรรู้แต่ยังไม่รู้แต่ความหมายที่ท่านเอาเนี่ยนะครับท่านหมายเอาจริงๆเนี่ยท่านในภาคปฏิบัติแล้วหมายถึงผู้ใดยังไม่รู้คนนั้นยังไม่ได้ปรินเยย์อย่าทำยังไม่รู้ปริญเยย์อย่าทำแต่อย่างเราฟังเนี่ยเราก็ว่าเรารู้เราพูดในขั้นบริยัตก็บอกได้อยอมได้ว่า เราได้รู้เรื่องปรินเยธรรมแล้วได้ปริญเยธรรมแล้วในขั้นของปริยัตแต่ว่าในขั้นปฏิบัตินั้นท่านยังไม่เอาเอา้าประทานโทษไม่เอาอย่างที่ว่าเนีนะ่แต่ว่าต้องต้องเห็นเห็นก็คือสิ่งที่ควรเห็นได้เห็นแล้วมันไม่ใช่สากแต่ว่าควรควรและยังไม่เห็นต่อไปประเด็นขอบเขตที่สี่คือไอ้ที่ว่าเห็นไตร ล, ลักษณ์เนี่ยตามความหมายที่ประสงค์ในนี้ เราะไตรักที่เราพูดเนี่ยอย่างที่จะได้อธิบายกันพอสมควรในวันนี้นะครับอันนี้จังทุกขังนาตาหรือความเกิดดับเนี่ยมันของเห็นง่ายหรือเห็นยากมันมันคืออะไรอยู่ตรงไหนอย่างเรานี่ได้เห็นแล้วหรือยังเราก็อาฟังดูมันเพื่อนก็เหมือนง่ายนะฮะ เ, เราอ่านธรรมะทั่วๆไปมาก็นึกว่าเราได้รู้ได้เห็นแล้ว ต อ, อบว่าตามมาตรฐานของวิปัสนาของปริญญาเรายังไม่รู้ไม่เห็นครับเรายังไม่รู้ไม่เห็นถ้ายังไม่ได้ยานนี้คือยานสามกับยานสี่ยังชื่อว่าไม่รู้เห็นความเกิดดับในเกณฑ์ของความเป็นปริญญาแต่ที่เราเห็นเน่เราเห็นความเกิดดับโดยประการอย่างอื่นที่ ผมได้อธิบายเพื่อให้เห็นเป็นภาพกว้างแล้วก็ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันในตอนท้ายของเอกสารคือขอ้ขอแปดข้อเก้าแล้วก็เอ 8, ข้อแปดข้อเก้าประเด็นแปดประเด็นเก้านะอันนั้นก็จะได้อธิบายให้ให้พอเห็นเดี๋ยวนี้เพราะว่าบางทีเราเรียนลึกไปเนี่ยเราก็เก็บความลึกไว้เวลาไปอ่านอย่างสมมติเราคนเรียนพระธรรมก่อนเรียนลึกเสร็จแล้วก็ไปอ่าน คาถาอันนี้อาัตรกระถาธรรมบทบ้างอ่านในพระไตรปิฎกบ้างแล้วก็ก็นึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ลึกเหมือนอย่างที่เราเข้าใจเตรี่ยไว้ในใจล่วงหน้านะฮะแล้วไม่ลึกอย่างนั้นคนปฏิบัติปฏิบัติและบรรลุทําได้ยังไงเราก็สงสัยพยายามจะตั้งหลักให้ลึกเป็นอย่างพระพิธรรมไปเสียบางทีก็ไม่เหลาขอบนะซึ่งความจริงแล้วคนที่จะมารู้ลึกเนี่ยก็อย่างที่ว่าต้องรู้มาเป็นลําดับจากตื่นจาก บัญญัติมหาปรมาจากยอยาไปหาละเอียดแล้วมีตัวอย่างทั้งนั้นเลยมีตัวอย่างในประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติซึ่งผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งไม่ช้านักเราจะได้นำเอาอประวัติการปฏิบัติการบรรลุธรรมของพระอริยะสมัยพุทธกาลน ะ, ะเราต้องบอกไวช้ชัดหน่อยว่าต้องสมัยพุทธกาลเดี๋ยวจะแห่กันมานึกว่าผมจะมาเล่าเรื่องประวัติพระอาจารย์มั่นเรื่องใครต่อใครแบบที่ หนังสือเขาเขียนเราอ่านกันพอลู้อยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากแล้วเราดูบทเทศดูวิธีการดูตั้งแต่การที่คนมาบวชแต่ละคนเนี่ยนะแล้วก็จุดบรรลุว่าบรรลุเมื่อไหร่บรรลุในที่หลีกเล่นบรรลุในชีวิตธรรมดาแล้วก็บรรลุจากการเห็นอนิจจังบรรลุจากการเห็นอนัตตาแล้วก็บรรลุจากอาการเห็นไอ้ของข้างนอกน้อมเข้ามาข้างใน บางคนก็บรรลุนในคณะขาจะฆ่าตัวตายแล้วก็บรรลุนนี่นะและทําไมถึงบรรลุนเนี่ยก็มีมีอยู่ผมเตรียมจะเล่าอันนี้เหมือนกันมีอยู่องค์พระจะฆ่าตัวตายไปยืนพิงต้นต้ น, ตนไม้แล้วครับเอาเขาใช้กขาเอาคอาาทอดต้นไม้แล้วก็ไปฉวยเอามีดมีดโกนของช่างการระบบการระบบคนหนึ่งที่วันนั้นเข้าไปปลงผมพระในวัด พกมีดไปสามเล่มแต่ช่างคนเดียวเวลาปลงก็ต้องปลงทีละเล่มเปลี่ยนเวียนไปเรื่อยองจะรับรับรอรอไว้องค์นี้มาก็ปลงทีนี่ก็สมัยก่อนก็มีการไปปลงแต่จะเอาก็จาก้างหรือไม่ยังไงไม่ได้บอกว่านะไปทําบุญก็ได้ก็พระองค์นี้กำลังคิดจะฆ่าตัวตายอยู่พอดีก็อแอบขอยืมไม่ใช่โมุยครับขอยืมมีดช่างคาราบกไปหลบไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ จัดการจะปาดคอตัวเองต้องใช้คำว่าจะเดี๋ยวปาดไปแล้วไม่บรรลุจันะะไอตอนนั้นก็เกิดไอหัวเิี ว, ว่าต่อซึ่งในประวัตินี่ก็ททำให้เราเห็นไอสิ่งสังสมของคนเนี่ยนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยแตกต่างกันก็ก็ตอว่าไม่ตายแต่ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์จริงๆนี่ผมผมเล่าไว้นิดนึงเดี๋ยวเล่าต่อ ผมก็จะว่าถึงไอ้ส่วนข้อเขตหลักเนี่ยไปไปให้ให้จบ ก, ก, ก่อนนะครว่าการเห็นความเกิดดับนมีทั้งสมมุติมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งรวมรวมมีทั้งเฉพาะคณะมันมีหลายอย่างแต่ถามว่าวิปัสสนาที่เห็นกำหนดเห็นความเกิดดับสมมุติหรือสมมุติก็เช่นว่าผมงอกวันหัก กิดับไหมคนตายเข้าลงเกิดดับไหมเห็นคนเกิดเห็นคนตายแล้วก็เห็นเกิดดับอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องสมมุติมันไม่ใช่เรื่องใช้ไม่ได้ซะเลยทีเดียวนะแต่ตรงนี้เรากําลังจะบอกว่าขณะเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เห็นความเกิดดับอย่างสมมุติอย่างที่เมื่อต้นสัปดาห์มีคนถามผมคนหนึ่งอเขาว่าอย่างนี้ครับ คามจริงก็ไม่ใช่เรื่องเขาเขาก็นักปฏิบัตนะิแล้วก็เชื้อชวนชวนผู้คนในครอบครัวแล้วก็มีคนหนึ่งก็เป็นดูอีมันจะเป็นสะพ้ายเข้าไปปฏิบัติแล้วก็สะพ้ายเขาบอกว่าเขาตายมาสามครั้งแล้วตั้งแต่ปฏิบัติกำมาฐานแหม่พูดแม่แม่ผัวตกใจตกใจหรือดีใจไม่รู้นะตายมาสามครั้งแล้วถามว่าตายยังไงเขาบอกว่าเขาเห็นความแตกดับเห็นความดับ ของลูกของน้ำอธิบายอย่างนี้ว่าขณะที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วร่างกายเขาทั้งล่างเนี่ยระเบิดเป็นจุนม่จุนไประเบิดพลิบหายไปเลยอย่างเงี้ยจะเปรียบเหมือนกับไปโดนอะไรดีนะที่มันหาซากไม่เจอทํามาอย่างนี้ได้สามครั้งแล้วก็คุยอวดแม่ผัวว่านี่แหละเห็นความเกิดความดับแล้ว ใช้คำว่าตายสามครั้งหน้าจะพึงกลัวหน้าตื่นเต้นก็ถามว่าอย่างนี้เป็นความเกิดดับหรือเปล่าตามความเกิดดับอย่างที่ปริญญาหมายเอาหรือไม่นะฮะตอบว่าไม่ใช่ความเกิดดับอย่างนั้นเป็นความเกิดดับอย่างสมมติความเกิดดับอย่างหยาบนะครับไม่ใช่อารมณ์วิปัสสนาแท้ เอาทำไมถึงไม่แท้วิสูจน์ได้ไงไม่อยากที่จะพิสูจน์หรอกครับเพราะวิปัสนานั้นสิ่งอารมณ์ของวิปัสนาต้องไม่ใช่ของเห็นไม่ใช่ของของของเทียมเห็นอย่างไงต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาไหมถ้าทำวิปัสนาแล้วพอเห็นแตกเปลี่ยนละลายเลยครับไม่ทันเขียนพินัยกรรมเลยอย่างสั่งสงสั่งเสียอะไรก็ไม่อย่างเลยเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่จริง ถ้าจะเอาจริงก็ต้องเอาอยัางงั้นต้องยอมตายแล้วเกิดใครจะไปตั้งวิบัต้องใครปฏิบัติวิธีนี้แล้วจะสิ่งที่ท่านเห็นจ้องจริงทุกอย่างแล้วก็สิ่งที่ท่านจะต้องเห็นอย่างหนึ่งคือปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะระเบิดหาสากไปเผาไปท่าชาปน ก, กิจไม่ได้แล้วคนเข้าตํำนักนี้อ้าวมาเอาไหมเราก็กลัวดิจนะไม่เว้นแต่ ว, ว่าพวกจะฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนะ นี่ก็เป็นเป็นประสบการณ์ซึ่งลักษณะทํานองทั้งตัวบางเป็นส่วนบางทีก็พองบางบางลายพองใหญ่นะแลายพองแล้วระเบิดเปลี่ยงหายไปเลยก็มีโอ้ประสบการณ์ลักษณะอย่นนี้เป็นไปต่างๆเล่าก็ไม่รู้จบได้โดยง่ายจบเดี๋ยวก็มีลายใหม่มาให้เล่าต่อไม่ใช่ปรมาณ ปรามัติต้องเห็นความแตกดับของสิ่งที่ในประเด็นสีกล่าวว่ า, อาของอภินิยยธรรม น, น, นะครับนี่เราเราจาเป็นต้องประจุสับเทคาภาษาหลักการเข้าไว้เลยเพื่อไม่ให้ดิบเพราะถึงเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าอภินิยยธรรมคืออะไรคือนามรูปตามความเป็นจริงใช่ไหมนามรูปที่เป็นอารมณ์ปรามัิของวิปัสนาที่ ยาตะปริญญาได้เห็นมาแล้วว่า น, นี่คือ <c oughs> เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรืออ่ารูปนั้นรูปนี้ที่บุคคล น, นั้นได้เห็นมาด้วยมุกของการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เห็นแล้วไม่หนีไปไหนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็เอาเก็บเข้าลิ้นชักไปแล้วไม่มีอะไรใช้เราได้ปริญญาต้นเพื่อเป็นที่อาศัยของปริญญาต่อไปนะฮะ เพราะฉะนั้นก็เห็นอนิจจังของลักษณะเสวยอารมณ์นั่นแหละมิได้มีอาการเป็นตัวตัวแล้วก็เห็นความเกิดดับอยู่ด้วยพื้นฐานของความสำคัญหมายในใจโดยไม่ต้องนึกลาว่านี่คือสิ่งที่เป็นแต่นามแต่รูปเท่านั้นเป็นเนื้อธรรมชาติเท่นั้นเนื้อธรรมชาตินี้ ไม่ได้คงที่ด้วยเป็นไปตามจริงอย่างวิปัสนาภูมิขันบริยัตบอกก็เห็นความแตกดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นถามว่าเป็นขณะหรือเป็นหน่วยตรงนี้นะต้องขยายว่ามันคลุมสองยานนะ่ะอ่าวันนี้ยังพูดไม่ทันหรอกอยาต้องไปพูดในหัวข้อว่ายาตะเอาอเตียนะปริญญาในสมามสคคียาน แล้วก็เทียนะปริญญาในอุตรยพยยาสองยานนี้จะพูดด้วยกันให้ใช้จบบริการเพื่อเทิ้บกันไปด้วยว่าเห็นความเกิดดับเนี่ยถ้าเราเอาเอาขณะไปยืนอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวเช็คว่าเขายังไม่เห็นความเกิดดับใครไม่เห็นอย่างนี้ไม่เห็นความเกิดดับก็เป็นอันผิดครับเพราะเห็นความเกิดดับจะนี่พูดถึงเห็นในขั้นปริญญาเนี่ยนะไอ้นอกปริญญานั้น จะจะได้พูดให้เห็นเป็นกัันๆมาแต่ในขั้นบริญญาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเห็นเป็นกลาวเป็นกล่าวก็หมายถึงเห็นเป็นแบบรวมๆกันไปเห็นเป็นหมวดหมวดแห่งปรัตญธรรมหมวดเนี่ยหมายถึงอายุคืออย่างนี้ครับเราเราเทียบอย่างนี้พูดให้เห็นอย่างงี้ว่าหน่วยรูปเนี่ยมันเกิดดับรวดเร็ว เราเห็นเกิดเห็นดับในหน่วยรูปสั้นๆเป็นขนาแต่ว่าถ้าเราเห็นเป็นอาการอย่างหน่วยหน่วยเกิดกับหน่วยดับเนี่ยมันห่างกันเยอะมันครอบคลุมสันตติของรูปและนามสืบต่อกันมากมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเห็นเป็นกะหลับเอาเอารับไว้แค่นี้ก่อนนะผมจะไม่ไม่เจาะอธิบายไปให้ชัดเลยทีเดียวให้ให้เข้าใจหลักอย่างนี้ว่าไอ การเห็นมีสองอย่างเห็นอย่างเป็นหน่วยรวมกับหน่วยเฉพาะเป็นสอง <c oughs> แต่ต้องกีดกันว่าหน่วยรวมเนี่ยไม่ใช่หน่วยรวมอย่างเป็นบัญญัติมันมีไอ้หน่วยรวมอย่างบัญญัตกิการประมัดสองอย่างในที่นี้ต้องหมายถึงหน่วยรวมอย่างเป็นประมัดหน่วยรวมอย่างเป็นบัญญัตินคือเป็นสิ่งที่ไม่มีแต่หน่วยรวมอย่างเป็นประมัตด เ, เ, เนี่ยท่านหมายจะพูดภาษาท่านคือเห็นการสืบต่อ ของปามัตเห็นด้วยอาการสืบต่อรวมโดยการสืบต่อไม่ใช่รวมอย่างเป็นก้อนเป็นแท่งอย่างสมมุติเหตุสมมติเป็นก็เป็นนั้นว่าจะเห็นหน่วยย่อยหรือเห็นเป็นแบบสืบต่อก็ต่างเป็นการจับเป็นการเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะที่เป็นจริงๆ ที่มีจริงๆที่มีฐานะเป็นอาพีนเยยยธรรมและซึ่งเป็นที่ตั้งของการเจาะลึกลงไปจนเห็นความเป็นป ร, รินเยยยธรรมคือพระไตรลักษณ์อยู่ในนั้นเพราะนั้นว่าไตรลักษณ์ของปรามาตา์จะต้องผูกพันหรือปรากฏอยู่ในตัวปรามาตา์เท่านั้นถ้าผิดจากนี้แล้ว ถ้าสมมติเราไปเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของสมมติเนี่ยก็จะกลายเป็นสมมติด้วยกันไปทั้งคู่นะฮะคือสิ่งที่ตัวเห็นเป็นตัวตั้งก็สมมติแล้วก็อาการที่เห็นก็กลายเป็นสมมติไปด้วยไม่เป็นที่ประสงค์ของวิปัสสนาที่กล่าวถึงอย่างในคันนี้อ่ะทีนี้ก็มาดูว่าโดยกําหนดยานเนี่ยเมื่อกี้ว่าให้ฟัง ไปโดยยานแล้วนะครับแต่มีอะไรบางอย่าง้ะต้องตั้งหลักไว้ก่อนในประเด็นที่สี่ที่ว่ารู้โดยเป็นสัมมสนยานกับอุท ย, ยาปยานอันนี้ก็หมายความว่ า, วาตัวตีรณปริญญาหรือคือปริญญาปัญญาที่เห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยโดยชั้นของยานหรือภูมิของยานที่มันเป็นถามว่ามันเป็นยานไหนเราก็บอกว่าความรู้นั้น ต้องรู้โดยเป็นยานที่สามกับยานที่สี่อ่านี้เป็นในหนึ่งะเวลาสงเคราะห์เนี่ยผมว่าตามวิสุทธิมรักวิสุทธิมรักเนี่ยเวลาสงเคราะห์แล้วเกิดสงเคราะห์ออนแรกออนต้นสงเคราะห์ไว้แค่ยานสามกับยานสี่พอไปถึงท้ายเล่มขั้นยานสูขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยท่านลงเคราะห์ใหม่สงเคราะห์เลยไปถึงอนุโลมยาน เลยมันขยักกันอยู่สองแบบนะฮะและถ้าหากว่าใครอ่านหนังสือในรุ่นหลังๆที่ขียนเขียนกันในวงการพระวิธรรมที่เป็นคู่มือพระวิธรรมอยองของท่านขุนสปกิตเนีย่ยพอมาถึงตรงนี้ท่านสุรรทนทรเคราะหเอาแค่ยานยานยานสี่ยา น, ยาน 4, ยาเดียวนะก็อันนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของท่านคืออย่างไรแต่ น, นี้ผมว่าตามวิสุทธิมรรคแล้วก็อนุโลมตามที่อื่นด้วยที่เป็นคำภีร์ชั้นที่เป็นหลักฐานได้ การสงเคราะห์สองอย่างนี่ถ้าไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกครับสงเคราะห์ถ้าสงเคราะห์แค่ยานสามกับยานสีติรณะคือเจาะลึกไปเห็นอนิจจังทุกัณาตาเนี่ยเป็นการกล่าวโดยในเอกเทศคือหมายความว่าไม่ไปปะปนกับปริญญาอื่นยกเอาเอาว่ายานสามกับยานสี่เนี่ยมันเห็นพิเศษ ต, ตรงนี้ เป็นคุณสมบัติพิเศษคุณบัติเอกเทศความสามารถเอกเทศตรงนี้จึงเรียกว่าโดยในเอกเทศแล้วก็ถ้าอนุโลมเลยไปถึงอนุโลมยานคือยเลยยานสีก็ไปยาณห้าพังคยานยานหกยานเจ็ดยานแปดไปจนกระทั่งถึงอนุโลมยานยานที่เป็นวิปัสนาญาณจะไหลไปสู่มรรคผลแล้วแต่ยังจับภัสลัยรักอยู่ ตรงนี้นะ่ะการเห็นพระใจรักษนะ่ะถือว่าเป็นเรื่องเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่าได้สัญญาแรงก็เรียกว่าเห็นแล้วก็พอคลุกคลีมากขึ้นมาขึ้นสัญญาที่พึงรู้สึกต่อพระใจรักษไอ้ตรงนี้นะ่ะจะทําให้เกิดการละลายนะเ ป, นเป็นเรื่องพิเศษท่านถึงยกให้เป็นพิเศษว่ามีลักษณะของการละ เป็นงานของการละแหละยานสามกับยานสี่นั้นงานหลักคืองานเห็นเห็นเจาะลึกลงไปถึงหาอานิจังทุกขังหน้าตาพอยานห้าขึ้นไปถึงอนุโลมายานงานหลักคืองานละแต่งานละนั้นก็ละอยู่กับการเห็นอานิจังทุกขังอน้าตามันก็เลยปลนกันแหละครับเรียกว่าเป็นในปะปนระหว่างการเห็นอานิจังด้วยแล้วรู้สึกต่อการเห็นอานิจังนั้นก็ให้เข้าใจอย่างนี้ แต่เวลาเราจะอธิบายเนี่ยจะอธิบายอย่างเป็นเอกเทศนะฮะพอไปถึงยานห้าจะอธิบายเป็นลักษณะพหานะประิญญาไ ป, ไปต่อไปครับความรู้ในยานที่สามกับยานสี่เนี่ยที่จริงก็ไม่ใช่มิกไม่มีการละอย่างที่เคยว่าแล้วคนเราเนี่ยทําวิพัฒนายังไม่ได้ยานก็มีการละแต่ว่าไอ้ละที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันมีเป็นสองอย่างหนึ่งละอย่างที่ไม่นับเป็นมาตรฐานนะฮะ ก็ยังไม่เรีย ก, กว่าการละไม่ถือว่าสําเร็จไม่ถือว่าเข้ามาตรฐานเต็มมาตรฐานเหมือนคนฝึกงานก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไม่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพถึงจะไปฝึกงานไงก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนทํางานทั้งที่ก็ทํางานนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเรียนอะไรเนี่ยเรียนธรรมะก็มีการละแต่ไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในปริญญาเนี่ยท่านจะพยายามกําหนดเอาเต็มกําลังของเกณฑ์จึงเป็นอันว่า เรื่องการละแม้มีอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าที่กําลังจะบอกให้เห็นในในข้อหาที่ว่าละนี่จะสัญญาเป็นประการสำคัญเนี่ยคืออย่างไรคือไอตรงนี้มันก็ยุ่งพอสมควรแต่จะพูดอย่างที่ผมเคยตั้งหลักพูดว่าการทําวิปัสสนาเนี่ยเป็นงานของการเห็นอนัตตาอันนั้นต์เป็นอันหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องเราเรียนไอเกรดพวกนี้แล้วค่อยพูดกันเป็นแบบรวมอีกทีนะ แต่ว่าที่จะพูดเป็นแบบกรณีใกล้ๆยานจะพาะหน้าเนี่นะครับเรานึกย้อนไปถึงยานที่หนึ่งกับยานสองยานหนึ่งกับยานสองเนี่ยเห็นอนัตตาออกนะถูกไหมคือทําลายความรู้สึกก็เป็นอัตตาตัวตนเป็นเรื่องสําคัญที่เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนาำรูปเป็นตัวเป็นตนเนี่ยพอยานหนึ่งยานสองนึกชัดเรื่องคนนี้เป็นอนัตตาเบื้องต้น นะฮะเป็นนัตตาเบื้องต้นพอทำไปถึงยานสามยานสีเห็นความไม่เที่ยงอนัตตาเบื้องต้นคงอยู่อยู่แล้วเห็นความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นยานสามกับยานสี่เนี่ยละจุดได้ในทางสัญญาใหม่ก็คือความรู้สึกว่ามั่นคงมันได้มาเป็นของเพิ่มเติม เราสมมุติว่าเราได้ยานหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่านามรูปแต่ยังมีความรู้สึกว่าน้ำรูปมันไม่มั่นคงหรือไม่เราก็ไม่เห็นจัดนะแต่ก็คงไม่ถึงว่าไปคิดว่าน้ำรูปเป็นมั่นคงเราก็ว่าไอ้วิปัสสนาภูมิในใจมันบังคับอยู่มนสิการความยอมรับเรามันบังคับอยู่แต่เรายังไม่เห็นก็แล้วกันแหล ะ, ละเห็นว่านี่ไม่ใช่ตัวตนและเป็นแต่รูปแต่นามแต่ยังไม่เห็นว่ามันไม่มั่นคงในขณะ ที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยนะพอมาถึงยานสามยานสี่เห็นความไม่มั่นคงของความไม่ใช่ตัวตนในขั้นที่เห็นแล้วายานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นยานสามยานสี่นั้นจึงกระทบกระเทือนสัญญาตัวนี้เป็นก็เมื่อได้เตียนนปริญญาแล้วก็ถือว่าเป็นการได้เพื่ออบรมป harma ปริญญาสืบต่อไปไอ้คําว่าเพื่อเนี่ยหมายถึงเพื่อของความมุ่งหมายของความเป็นเหตุเป็นปัจจัย ไอ้เราจะคิดหรือไม่คิดมันไม่สำคัญแต่กระบวนการของความอย่างรู้ย่อมเป็นไปเพื่อทำที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปีเราก็ตรงนี้ผมคงจะไม่อธิบายไล่เลียงทั้งหมดจะอธิบายแบบกระโดดเพราะว่าเป็นข้อความที่คัดมาเป็นเชิงหลักฐานตั้งแต่ขอ้ขอข้อสี่ไปโดยลำดับเนี่ยนะฮะก็ก็ไม่ถึงกันทั้งหมดหรอก ที่ว่าปริญญาปัญญากับติระยญาณและติระปริญญาที่คือหัวข้อไว้ว่าอย่างนี้ตรงนี้เป็นหลักฐานที่ได้คัดมาจากที่ต่างๆอย่างคำของพระสรีบุตรที่กล่าวว่ า, าปริญญาปัญญาเป็นติระยญาณ น, นะฮคไอมันเป็นอันเดียวกันนะพูดง่ายนะติรณะการพิจารณาครับบางทีใช้ว่าเป็นอาการของญาณอาการของปัญญา ปริญญาบทีก็ใช้ว่าเป็นอาการของปัญป ญ, ญาบางทีก็พูดเหมือนเป็นปัญญามันอยู่ด้วยกันก็เลยพระสารีบุตรบอกว่าปริญญาปัญญากับตีรณญานถ้าบางที่ใช้คําว่าตีรัญญานเป็นอันเดียวกันแล้วก็ว่าที่เรียกว่าตีรณญานเนี่ยในรูปบาลีก็เป็นตีระ น, ะ น, นัตเถยานังคือเตีรัญญานคือยานในอัดว่าใกล้ครวน ที่เป็นจำนวนแปลงจำนวนหนึ่งใคร่ครวนซึ่งไม่ได้แปลว่าคิดก็ได้แก่ยานมีการเข้าไปใคร่ครวนสภาวะหรือการพิจารณาเป็นสภาวะสภาวะหมายถึงสภาพของยานนี้สภาพของยานนี้หรือลักษณะของยานนี้ที่กระทําต่ออารมณ์เนี่ยใคร่ครวนดูให้เห็นเนื้อในของนามรูปว่ามีอาการเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต่อไปอีกหน่อย ปริญญายาติรณัตโถสภาพที่กำหนดพิจารณาด้วยปริญญาได้แก่สภาพที่กำหนดพิจารณ า, ด า, ดาโดยเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอันนี้เป็นการแสดงถึงอารมณ์ที่ถูกไคร่ครวนว่าใคร่ครวนเห็นอะไรนะใคร่ครวนและเห็นอะไรหรือใคร่ครวนในอะไรเนี่ยก็ใคร่ครวนในอนิจจังทุกขังหน้านะครับดยเตียนาปริญญากที่แปลว่ากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาก็ เลยใช้สำนวนแปลเป็นสักหลายอย่างเพื่อจะเป็นประโยชน์แจกความเข้าใจความหมายของคำที่เป็นศัพท์ทางหลักการดังนี้ด้วยก็ เ, เป็นนั้นว่าในนี้นะบอกว่าใครค ร, รวญเพื่อเห็นหรือใครครวญเห็นใครครวญอยู่เห็นอยู่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติถึงอยู่เนี่ยนะใครครวญอยู่เห็นอยู่ใครครวญในรูปนามอยู่เห็นอยู่ซึ่งความ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้านตาของรูปนามนะั้นตรงนี้ก็บอกเท่านี้ครับอในความถัดไปว่าปริญญาปัญญาในประเด็นที่ห้ารู้ปริญญยธรรมโดยอาการตีลณนะอันนี้ก็พูดเป็นเชิงว่าเตีละเป็นอาการอาการของปัญญาตัวนี้คือป ร, ปริญญาปัญญาเป็นตัวรู้ปริญ ญ, ญาธรรมเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็เตีละเป็นอาการที่ปริญญานั้นรู้ ก็ว่าอย่างนี้ครับว่าปริญญาปัญญาคือปัญญารู้ปริญญ ย, ยธรรมที่แปลว่าทรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อวิญญาณโดยอัตถา ว, าวิจารน่ะฟังก็ก็ได้ศับอีกคาหนึ่งเป็นลักษณะคําแปลทับสับ์วิจารคือวิเคราะห์วิจารนามรูปนั้นซึ่งต้องหมายถึงวิวเคราะห์วิจารตามความเป็นจริง คือความเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปไม่ใช่แง่อื่นนะแง่วิปัสนาเปะาวิปัสนาเนี่ยผูกพันอยู่กว่าความเกิดความดับอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็คือวิจาร์อยู่ในกรอบของวิปัสนาต่อไปทำทั้งหลายใดๆเป็นธรรมอันปโยชกาวจรกําหนดรู้แล้วทำทั้งหลายนั้นๆก็เป็นอันชื่อว่าเธอวิจารณ์แล้วแล้วนี่เคยบอกแล้วมีสองอย่างแล้วโดยการคือผ่านไปแล้ว ผ่านเวลาไปแล้วแล้วโดยกิจหมายถึงทํากิจนั้นแล้วอยู่กําลังทําอยู่นั่นแหละเรียกว่าแล้วคือสําเร็จแล้วกําลังทําอยู่แล้วบรรลุอยู่แล้วต่อไปเตียนนาปริญญากําหนดรู้ด้วยการวิจารณ์อ่ที่สืบแล้ว่าอย่างงี้เมื่อกี้นะความกําหนดรู้อันเป็นไปด้วยอํานาจแห่งการวิจารว่าอ่าตรงนี้ผมคัดข้อความตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแล้วมาเรียงให้เป็นง่ายๆนะ แต่ว่าแหมตอนเรียงนี่ชนลามุนเหลือเกินนราต้ยอยุ่งจริงๆไม่รู้จะเรียงยังไงเวลาเวลาคัดเอามาแตกจากแต่ละที่เนี่ยมันคล้ายๆกันอ่ตรงวิสุทธิมรรคตรงนี้บอกไว้ชัดหน่อยว่าใครครวญวิจารณว่าอันนี้จังไม่เทียงคือนามรูปเป็นอนนี้จังเป็นทุกขังเป็นนันตานเองวิจารณว่าอย่างนี้เลยบอกเต็มเลยก็เป็นนั้นว่าอันนี้ก็เป็นเชิงหลักฐานนั่นเองว่าที่ไหนพูดว่าไว้แค่ไหนในเรื่องเดียวกันอย่างไรเราไปขึ้นประเด็นที่หก กำหนดรู้ภูมิแห่งเทวนาปรินกำหนดภูมินะกำหนดภูมิภูมิในหมายถึงภูมิชั้นของหยานโดยลำดับแห่งหยานติพงศเหมือนอย่างขั้นภูมิชั้นภูมิต่างๆที่จะพูดกันในภาษาไทยนั่นแหละครับคือตั้งแต่กะลาบสามัสนะคือหยานพิจารณาสังเขปสังขารธรรมโดยกะลาบสังขารธรรมก็คือนามรูปนะโดยกะลาบก็คือเป็นเป็นโดยส่วนรวม嘛 โดยส่วนรวมเช่นว่าเมื่อเรานั่งความร้อนย่อมอเริ่มเกาะตัวที่ที่อาสนะที่เรานั่งแล้วก็ก่อตัวก่อตัวไปจนียงทั่งความร้อนนั้นคลายตัวในเรียกว่ากาหลับหนึ่งนะสัน ต, ติหนึ่งในขณะที่เราโกรธขึ้นมาสังเกตตั้งแต่ว่าเมื่อความโกรธเริ่มเกาะตัวเพราะเหตุอะไรนะฮะ จนกระทั่งความโกรธนั้นคลายตัวอ่อไอ้ตรงนี้นะความจริงความโกรธไม่ใช่ขนาดจิตเดียวมันหลายขณะจิตใช่ไหมแต่มันทํางานต่อเนื่องกันทําให้เกิดกสันตติคือสืบต่อเราก็ดูความเกิดความดับอย่างนี้นี่นี่เป็นช่วงหนึ่งนะทีนี้นไอ้เวลาที่เราดูอย่างคนที่ที่ไม่ได้ยานกับได้ยานไอ้กรณีอย่างนี้มันไม่เหมือนกันหรอกครับมันไม่เหมือนกันแม้แต่การได้ยินที่เราได้ยินครั้งหนึ่งเนี่ย มันก็มีไอ้กระไอ้กระลาบเนี่กระลาบเล็กกะลาบใหญ่คือความสืบต่อเล็กความสืบต่อใหญ่ของรูปของหนามที่ไม่เท่ากันหรือกระลาบที่เกิดขึ้นจากจากไอ้ความเจ็บปวดเวลาที่เรานั่งเราจะเห็นว่าเวลาคนนั่งคนเดินเดินไปถึงจุดหนึ่งมันปวดเดินไปถึงจุดหนึ่งความปวดมันก็กลายเป็นหายปวดใช่ไหมฮมันไม่ปวดตลอด มันมีวงรอบของมันเวลาที่เรานั่งจากไม่ปวดก็มาเป็นปวดจากปวดก็หายปวดนั่งนานๆมันก็มีรอบของมันอย่างเนี้ยความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเราทําเห็นว่าเออนี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเพราะนั้นก็เห็นแล้วก็ลัดเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งจับขนาดได้ก็จะเห็นเป็นอะไรระดับยานสี่เห็นเป็นขณะเลยไอย้ตรงนี้นะ่ะเราผม เตรียมคัดหลักฐานไว้แล้วเพราะว่าผมเห็นใจแล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยผมเมื่อก่อนสนใจวิปัสนาใหม่ๆเขาก็พูดเกิดดับเกิดดับแล้วก็ไปเที่ถามอาจารย์วิปัสนาเกิดดับนี่เห็นยังไงครับอาจารย์นะไม่ได้ไม่ได้หลอกถามหลอถามจริงๆบางท่านกระถามในห้องอาหารก็มีอะไรกระถามเม่อเกิดดับเป็นยังไงแล้วฝั่งถามคนนั้นทีคนนี้ทีก็ตอบกันไป คล้ายๆบางอย่างก็ในหลักเดียวกันบางอย่างก็ก็ต่างหลักกันนะเพราะว่าไอเร า, เ, าเราก็พอรู้ไอเกิดดับแบบขณะเนี่ยมันมีเราก็อยากจะรู้ว่าเอาคนทำวิปัสสนาบอกก็เห็นจิตขณะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเลยหรือไม่อย่างนี้นะเราก็ฟังแล้วก็นึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ขณะจิตก็เลยละคเก็บไว้ในใจก็ไม่ถึงกับไปตั้งใจจะค้นให้มันได้คําตอบแบบนั้น ก็ดูผมก็ไปเจอหลักฐานจริงอ๋อไอ้เกิดดับเนี่ยท่านเอาเกิดดับยังไงมีกี่อย่างนะฮะแล้วก็เกิดดับตามมาตรฐานยานสี่คือเกิดดับเป็นขนาดจริงๆครับเห็นเกิดดับเป็นขนาดจริงๆพอว่าพอเห็นเกิดดับเป็นขนาดเราก็ชักชักเรียกว่าทอแต่แล้วเอ้จะไปเห็นได้หรือนะแต่ว่ามันก็อัศจรรย์ว่าการอบรมสติที่อบรมแล้วเนี่ย ไอสิ่งที่ตำลัดําลาเขาว่าไว้อย่างไม่น่าจะเป็นไปได้จะเห็นได้นะมันเห็นได้จริงๆอ่ะนะทีนี้ผมก็ย้อนกลับมาเอาเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนถามอีสักอยู่ในระยะสองอาทิตย์มัาเนี่ยถามอย่างที่ผมถามเนี่ยถามว่าไอคําว่าเห็นกว่านี่เขาถามเวลาเขาถามเขาไม่ได้มาถามจะให้เอาผมเป็นหลักประกอบความรู้เขาคนหนึ่งนะอย่างที่ผมถามถามว่า เออความเกิดดับของสำนักนี้เนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าเขาเห็นยังไงนะความเกิดดับของสำนักนี้รู้ไหมว่าเขาเขาเห็นยังไงนี่ถามเป็นสำนักเลยผมก็ไม่ได้ไปเข้าไปทุกสำนักอย่างที่เขาเนี่ยกนะนะ็ผ่านมาสิบสำนักแล้วกว่านี้นะก็ไม่ใช่เ่นแล้วผ่านมาสิบสำนักแล้วทั้งในเมืองนอกเมืองในก็ผ่านมาทั้งคู่พอคุยได้ ผมก็ตอบวเออมันเป็นยังไงเอาตรงนี้ก็ยังไม่เล่าตอนนี้จะแต่ไม่เล่าอีกครับไม่จําเป็นต้องเล่าแต่ว่ามันมาเข้าอนหลักที่เขาบอกไว้เลยว่าหมายถึงออบอกไว้เลยคือในหลักการในบอกไว้เลยว่าการเห็นความเกิดดับเนี่ยเห็นอย่างเห็นความเกิดดับของรูปเนี่ยรูปจากสมุดฐานต่างๆความเกิดดับจะไม่เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ไอการเห็นความเกิดดับของลูกจากสมุดฐานไหนเห็นง่ายเห็นยากเห็นความเกิดดับของนามนามเนี่ยมันสมุดฐานต่างแต่ไม่มีผลต่อความต่างของความเกิดดับที่เห็นนะผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งก็ได้ว่าคําตอบที่ผมตอบแล้วก็ผมได้ได้มา จากคำถามเนี่ยการเห็นความเกิดดับไปอยู่ที่จิตตจะรูปแทบจะดังนั้นที่ตอบตอบกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเห็นแค่นั้นนะผมยกตัวอย่างเนี่ยเวลาเรายกเท้าเดินเนี่ยเห็นความเกิดดับสืบต่อกปอย่างดีบที่นั่งอยู่ที่นี่ก็มีคนเห็นดีๆอย่าบอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเขาจะเสียหน้าเวลาย่ยาง เวลายกหรือเวลาที่เราก้มตัวลงไปเงยขึ้นเห็นความเกิดดับจริงจริงซึ่งไม่ได้แปลว่าเราแกลง้งแกล้งไอย่างแกลง้งแกล้งะอนั้นอย่าไปปนนะแต่เห็นเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติของมันเลยจับอัตโนมัติของมันได้แต่ที่ว่าเหมือนเราแกลงนะ้งแกงเนี่ยแกล้งเพื่อค่อยๆให้มันเป็นพาหะนำก็ไปถูงอัตโนมัติของมันที่บางวิธีนะ ทำมันก็ควรป่วยหนักอย่างของท่านหมหาสีเหมือ น, นแกล้งแต่ไอ้แกล้งไอ้แกล้งก็เห็นจริงๆมันคนละเรื่องกันอย่างเช่นเรายกเราทําเป็นแก้งช้างเนี่ยแล้วเห็นว่ามันตึกตึ ก, ตกไปเองของขอโทษนะที่เอาท้าเอาไว้นอกของนี้ทำท่าให้ดูไม่มีเจตนาจะลบหลู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คนที่เขาเห็นมันเกิดดับสืบต่อกันนะแล้วจิตตะรูปมัมีมจิตตจรูปหยาบจิตตะรูปละเอียด ห ล, หลายแบบอีกหายใจเข้าหายใจออกไว้ใจเต้นเลือดสกฉีดสูบฉีดไปหล่อเลี้ยงสรีละแล้วจิตจะจะรูปนี่มันมีหลายชั้นอีกชั้นหยาบแล้วก็ชั้นหนึ่งไปเป็นปัจจัยแก่ชั้นหนึ่งกระเทือนกันไปเรื่อยๆเป็นเขาเรียกว่าอจิตตะชาปัจจยะจิตตะชาในหลักอวิธรรมนะฮอุตุชาปัจจะยะจิตตชา เรียกว่าพูดในทางทฤษฎีแล้วก็โหสับสนกันแล้วกันแหละไม่เชื่อลองไปอ่านวิสุธทธิมัามัคคามัคคายานทศัศนะวิสุธทธิดูก็ได้สับหรือไม่สับสนไม่สนก็รู้แต่เวลาไปเห็นภาพปฏิบัติมันไม่ยุ่งเหมือนทฤษฎีหรอกครับมันก็สติเขาเก่งเขาจัดระเบียบคือเวลารู้เนี่ยมันไม่ต้องไปคอยกระแวแวคอยต่อเชื่อมอะไรมันอะไรหล ก, ก็รู้ มันก็เห็นเป็นเป็นอย่างที่มันเห็นไม่สับสนเหมือนเราลืมตาขึ้นมาเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ไม่เห็นสับสนเลยแต่คนจัดโต๊ะจ่ายเก้าอี้มันเหนมือนกับทฤษฎีนะมันก็ดูวุ่นวายเปลืองเรยวเปลืองแรงหน่อยก็เลยคนเรียนแล้วปฏิบัติก็ช่วยได้คนปฏิบัติแล้วเรียนก็ช่วยได้คือว่าคนเรียนปริญญาตแล้วเวลาเห็นก็ช่วยบรรเทาความสับสนในขณะเห็น ความคลางใจหรือความกังกาอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็คนปฏิบัติแล้วมาเรียนก็ก็ลองอ๋อไปทุกๆส่วนที่ทฤษฎีพูดทั้งหมดเหล่านี้นะเห็นได้ทั้งนั้นจริงๆเอานะเราก็ว่าถึงคำพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าที่ท่านกล่าวว่ายานสามยานสี่ว่าเวลากำหนดเห็น ที่แปลว่าเห็นอยู่เนืองๆเนืองๆเนี่ย น, น, น, นะครับฟังดูมันเหมือนบ่อยๆมันไม่ได้แปลว่าบ่อยๆในความหมายอย่างที่เราเข้าใจหรอกแต่หมายถึงการตามเห็นเห็นครั้งเดียวก็เรียกว่าอนุตามเห็นเห็นอย่างได้ยานเนี่ยนะตามเห็นเพราะว่าคนทำวิปัสสนานั้นในขั้นเหตุก็ตามกําหนดรู้และได้เห็นขนาดหนึ่งก็เรียกว่าอนุตามเห็นถึงไอ้คาว่าอนุ มันมีความหมายดีหลายอย่างหนึ่งว่าเกิดถ้าไม่ได้เห็นบ่อยๆก็ได้กําหนดในขั้นเหตุบ่อยๆมาจึงได้เห็นอย่างนี้เห็นเพราะเห็นบ่อยๆและการเห็นบ่อยๆคือการกําหนดตามรู้อย่างถี่ิตามรู้อย่างเป็นหน่วยละเอียดและเมื่อเราทําได้แม้ครั้งหนึ่งขนาดหนึ่งต่อไปก็สามารถจะเห็นบ่อยๆได้ถามว่า คนเห็นความเกิดดับทั้งวันได้หรือไม่ที่ตอบว่าไม่ได้นะั้นก็ตอบโดยบุคคลถูกและตอบว่าได้ก็ถูกโดยบุคคลอีกนะเพราะว่าอย่างบา ง, บางรายเนี่ยไอ้คาว่าทั้งวันเนี่ยมันต้องตกลงกันก่อนว่าเอาทั้งวันแค่ไหน ทุกขนาดชิดเลยทำมันไม่ได้อยู่แล้วนะแต่พูดถึงว่าจะ ก, กำหนดเมื่อไหร่ก็ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากอย่างนั้นได้แล้วบางค น, นถึงขนาดไม่ได้ออกแรงอะไรมากจะพักมันยังเหมือนจะไม่ยอมให้พักเลยครับว่าจะพักไม่ดูสักเดียวยังจะไม่ยอมให้พักเลยผมยกตัวยอย่างว่าบางที่อย่างสายป๊ามาเนี่ยนป๊ามาพวกที่ทากันเป็นอาชีพเนี่ยนะ ทำกันแบบไม่ได้ดูเดือนดูตะวันกันเลยเนี่ยมันอัตโนมัติเลยครับขนาดบางทีนึกว่าจะไม่ไม่กาหนดมันยังไม่ยอมเลยมันเหมือนเทียบเหมือนคนโกรธจัดจนห้ามใจไม่อยู่ถึงคิดว่าถ้าความปรารถนาจะหยุดนี่มันไม่แรงพอ mm. เหตุการณ์ที่ทำให้ปรารถนาจะหยุดไม่แรงพอหยุดไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกหรอกที่เขาบอกว่า ทำกรรมฐานแล้วไม่ได้นอนกันเลยสามวันสี่วันเน่ยกลางคืนนอนนอนแต่ตัวแต่ใจไม่ได้นอนพอถึงคาวคิดว่าวันนี้เราจะนอนอย่างธรรมดาส ท, ทีมันนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับก็มีสองพวกเหมือนกันแต่นอนไม่หลับอย่างนี้ไม่ได้เป็นอันตรายมันอยู่ในโลกสว่างสวามหน้าหน้าสนุก จะว่าน่าสนุกก็ว่าน่าสนุกนะครักำหนดตามไปอยู่กับโลกอีกโลกหนึ่งจริงๆะเหมือนเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์กันละกันไม่ได้อยู่ในสังคมปกติเนี่ยคนที่เขาอยู่เป็นปกติอย่างนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับที่บางทีทําให้ประมาทประมาทนะังโอ้ยเราขนาดนี้แล้วขนาดจะหยุดมันยังไม่ยอมหยุดเนี่ย เราไปอยู่ก็ปล่อยชีวิตประมาทพอจะตั้งหลักหมายหายเนี่ปลุกไม่ฟื้นเลยครับหายสนิทไปเลยไม่ไอถึงข่าวหายก็ไม่รู้มันไปได้ยังไงนะไปจนกระทั่งเราหมดเกิดเกือบจะหมดความมั่นใจว่าเราคงไม่ฟื้นแล้วคงไม่มาอีกแล้วเนี่ยก็พอเราอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ก็มีความรู้สึกไปอย่างนั้น แต่พอไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันนึกแบบประมาณโ oh, อย้ยางงี้เราอยู่ไหนก็ได้ไปไหนก็ได้กินเหล้าสักแก้วสองแก้ ว, งกวคงไม่หายหรอกอาจจะนึกไปถึงขั้นนั้นเอาเข้าจริงแล้วนี่ก็อย่างที่ท่านว่าว่ามันเป็นของเปราะบางเป็นของต้องบริหารเพราะมันยังเป็นโลภะอยู่ยังนับว่าอ่อนอยู่ครับ เป็นไอตรงนี้ถือยังถือว่าอ่อนนะฮะเออในพูดถึงตรงนี้แล้วผมก็พูดนิดนึงว่าวันพรุ่งนี้ที่ปลาณีพันธ์มีพระสูตรดีที่เป็นหลักฐานอะไรบางอย่างสาหรับคนที่สับสนวุ่นวายในทางหลักฐานแล้วมันเขามีคําว่าวิปัสนาอ่อนวิปัสนากล้าในพระสูตรพุทธพจน์เนี่ยนะฮะที่มันเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่คนจะก้าวขึ้นไปสู่การบรรลุอะไรบางสิ่งบางอย่าง ถ่าเราอ่านพระใจปีดกันเถื่อนก็ใจไม่ได้แต่อัตตกะถาได้แก่ไว้เป็นที่ชัดเจนว่าไอ้กระบวนการตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ข้อคานแคลงของเราอะไรบางอย่างข้อเข้าใจผิดอะไรของเราบางอย่างเนี่ยสิ่งละจริงๆก็ไม่ใช่สิงลานประนอยแล้วสิ่งเหล่านี้ช่วยยืนยันได้เลยว่ า, าอะไรเป็นอะไร แต่ว่าตรงนี้นะขั้นอ่อนขั้นอ่อนอย่างที่ในพระสูตรนั้นว่าเป็นวิปัสนาขั้นอ่อนยังไม่แข็งแรงก็ยังพึ่งพาอะไรเอาเป็นที่อุ่นใจแท้จริงมากนักไม่ได้ไอ้บางทีเรานะคนไม่เคยได้พอได้เ็าก็นึกว่ามีเศษวิโสนักหนาแต่แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ดูถูกธรรมะอีก แต่คนที่เขาได้ขึ้นไปสูงสูงหรือคนสูงสูงเขาพูดลงมาเนี่ยเขาก็บอกเราได้ว่าอ่อนอ่อนหัดใช่ั้ยแต่เราคนไม่รู้ว่าสูงแค่ไหนเราก็รู้อย่างที่เรารู้ซึ่งเราไม่เคยรู้ไม่คิดว่าจะรู้ได้แล้วก็มารู้เราก็เนึ้กว่าเรื่องเรื่องสูงส่งแ ท, ที่จริงแล้วอ่อนอ่อนหัดยังอ่อนหัด แต่ครูบาชานพูดอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมนะือนกันนะเดียาว่าต่อว่าดูถูกกันนี่เราพูดถึงสวมความรู้สึกแบบครบทั่วก็พูดได้ว่าอย่างนี้ครนี้ท่านว่าต่อไปว่าเนี่ยเพราะว่าไอ้ความเป็นอธิบดีเนี่ยย่อมมีแก่พโยคาวาจรผู้แทงลักษณะก็คือนี่เพิ่งมาเห็นพระใจลักเต็มรูปใน ตรงนี้นะครับจึงถือว่าเป็นเตียนะปริญญ า, าสัทธธรรมปกาศนีได้บอกข้อความนี้ไว้ด้วยความไม่ ป, ป่าปนอย่างที่ว่ามาแล้วข้อสองก็คือเตียนะปริญญาภูมิเริ่มตั้งแต่กลาปสัมมาสนาอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งวิสุทธิมังค์บอกอวิสุทธิมังคที่นี้ก็บอกยาน3ามกับยานสี่เพราะเห็นความเกิดดับก็จะ เป็นเนื้อความที่ตรง ก, กันกับสัทธรรมะประกาศนีและต่อไปวิสุทธิมัจได้พูดอีกที่หนึ่งว่าตั้งแต่กะลาป่าสามมสนะพิจารณาเห็นโดยสังเขปเข้าเป็นกะลาคือประมวลเข้าเป็นตลาเป็นเป็นแบบสันท ต, ติจนถึงอนุโลมบลีเออท่า น, นพูดแกนวโลมลอ ย, ลยๆทั้งหมายถึงอนุโลมาญาณคือ่งางกลอยตามมา่มเป็นภูมิหนึ่งแห่ง รปริญญาอันนี้ก็พูดแบบประป่นเลยไปถึงยานเบื้องสูงด้วยอันนี้ก็เป็นแต่เป็นหลักฐานเท่านั้นล่ะครับเผื่อว่าเนื้อความที่เราได้ทำแผนภูมิอะไรอะไรมาชวนให้สับสนก็ตรงนี้ลหละครับว่าจะเอาอยัางไงแน่ครับคบเกี่ยวเกี่ยวันอยู่เป็นสองหนึ่งอ้าทีนี้ก็ออกมาดูหน้าที่สามที่ว่าไตรลักษณะกับอุทยวยะเนี่ย เป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งถามว่าตัวนามรูปกับความไม่เที่ยงเป็นสภาวะอันเดียวกันหรือคนละอันนี่ชัตอบยากนะฮะบางทีตอบแล้วไม่ถูกไม่ตรงกับใจคนถามเดี๋ยวก็จะว่าผิดอีกคือเรื่องนี้นะ่ะเราก็เคยบอกแล้วว่าตัวนามรูปกับอาการของนามรูปเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแท้หรอกถูกหฮะ แต่ว่ามันไม่แยกกันมันเนื่องถึงเนื่องอาศัยกันอยู่เหมือนอย่างที่ว่าความตายของคนความเกิดของคนก็ตัวคนเนี่ยมันไม่ได้แยกกันมันเนื่องกันอยู่อาการคือความเกิดอาการคือความแก่อาการคือความตายเป็นอาการของตัวคน <c oughs> นามและลูก ความเป็นเวทนาเป็นภาษาเป็นตัวนามรูปอาการเกิดและอาการดับเป็นอากาศมเห็นตัวกับการเห็นอาการอันไหนเป็นศักยภาพของปัญญาสูงกว่ากันนี่ถามให้คิดแล้วก็อันไหนมีผลต่อการคืนคลายกิเลสมากกว่ากันถามให้คิดอันหลังใช่ไหม <c oughs> อันหลัง คือเหมือนกันเราเทียบเหมือนกับตัวคนเนี่ยไอ้ตัวคนให้ลำพังตัวเนี่ยมันไม่ไม่ได้พูดนะว่าตัวคนมันคือเฉยเยไม่แสดงอาการอะไรเหมือนกับอนุสาวรีย์รูปปัน้นคนดองคนมัมมี่ทำมัมมี่ไว้เป็นที่ตั้งแห่งความรักความชังเนี่ยไม่ได้มากหรอกครับจริงไหม แต่ที่เราเกลียดกันเนี่ยบางทีมันเกลียดแล้วมันไม่ตรงกันมันไม่สมกับบุคลิกเลยเกลียดบางคนเนี่ยนะบุคลิกน่ารักแต่ทําไมไปเกลียดเขาลงคอใช่ไหมฮะบางคนเ้าหน้าตาอบอรักทาไมไปรักเขาลงคอไปรักเขาลงคอเพราะว่าเราไปเห็นอาการเขาเอาอาการเขาเป็นที่ตั้งไปเกลียดเขาลงคอเพราะว่าเอาอาการเขาเป็นที่ตั้งนั้นนามและรูปเนี่ย ก็เช่นเดียวกันเอาพมองอย่างเผยเผยเนี่ยจะเห็นว่าเวลาคนเป็นคนตายเราก็ดีใจบ้างเสียใจบ้างคนเกิดเราก็ดีใจบ้างเสียใจบ้างด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมฮะบางคนเราก็เสียใจกับความตายเขาบางคนเราก็อาจจะแอบดีใจกับความตายเขามันแล้วแต่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบทีนี้ <c oughs> นามรูป <c oughs> โดยปกติ <c oughs> ที่เรา <c oughs> เห็นความเปลี่ยนไปยังตัวเราเองไอ้ความเปลี่ยนแปลงในขั้นสมมุติสมมติที่เราสําคัญหมายกันบางทีเราก็ชอบบางทีเราก็ไม่ชอบจริงไหมจริงความแก่เนี่ยบางทีเราก็ชอบพราะเราสําคัญว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเจริญเติบโ ต, ตใช่ไหมฮะเราก็ชอบความแก่ น, นความพลัดพรากบางทีเราก็ชอบการสูญเสียบางทีเราก็ชอบเห่นยกมรดกให้กับลูกให้กับหลานใช่ไหมฮะ ลแล้วก็ชอบเอ๊ะทำไมชอบโกนผมบางทีเราก็ชอบอย่างข้างๆเนี่ยท่านโกนแล้วท่านก็ต้องชอบไอ้ของเราไม่ชอบพอชอบบางก็ชอบโกนหนวดโกนเคราไปชอบโกนเลยทีเดียวไม่ชอ บ, ลล ไ, ชอบไปเข้าร้านผมแล้วหลับเพลินไปเขาโกนเกลี้ยงทั้งหนวดทั้งผมเราก็คงโกรธเ้าแหละมันก็เลยเอาแน่ไม่ไดไ้ไอ้ไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยนะมันเอาแน่ไม่ได้จริงๆ เพราะอะไรเพราะเราเนี่ยเราตั้งค่าอานิจจังทุกขังนันตายอย่างสมุดเนี่ยไปตามค่าของกิเลสเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะค่าไปทางไหนเราก็นึกไปอย่างนั้นนึกไปตามค่าที่เราตั้งหลักในใจแต่คนไปทำวิปัสสนาไปกําหนดเห็นความเกิดดับทำไมเห็นแล้วถึงไม่ร้องห่ม่ร้องไห้เป็นวักเว็นเว ออกจากกรรมฐานกลับบ้านฆ่าตัวตายออกจากกรรมฐานแล้วก็หยิกแข้งหยิกขาเคี่วตัวเองทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นนะก็พูดง่ายเราไปเห็นความเกิดขึ้นทั้ง อ, อ, อยู่ต่อไปทําไมถึงไม่โกรธมันมีอะไรมัน <c oughs> มันเหนี่ยวลังไว้มันมีอะไรมาทําให้คนไปเห็นแล้วต้องไม่โกรธแล้วคนโกรธต้องไม่เห็นเลยเข้าใจไหมคนโกรธไม่เห็นคนง่วงไม่เห็นคนโลกก็ไม่เห็น เพราะว่าเราตั้งโยนิโสมนสิการไว้ดีมีอาทิพรมจรรย์มีเบื้องนอตนอะไรมาดีไม่ ด, ไมดีไม่บริสุทธิ์จริงตามขั้นนั้นนั้นเห็นไม่ได้เมื่อเราเห็นได้อย่างคู่วางใจไว้เป็นอย่างถูกต้องเราจึงไม่เกิด อาพิชาโทมนัตอย่างผิดปกตินี่ผมต้องใช้เขาอย่างผิดปกติเพราะมันมีอยู่บ้างไอ้ที่มันพอสมควรแก่อย่างเช่นวิปสัสสนูกิเลสอะไรแต่ไางนี้มันมีอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่มีร้ายแรงรุนแรงเหมือนอย่างที่เราวลาะร้องไห้อยู่กับอันิจังทุกขังอนัตตาชั้นนอกๆ อ, อ, อย่างที่ยกตัวอย่างมาให้เป็นข้อเทียบนันหรอกคงเข้าใจนะอกิเลสมันก็ตามไปแต่กิเลสมันไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนี้แหละ ถ้าเรามานติการดีเท่าไหร่ไอ้คิเลต ท, ที่มันจะลอดเข้ามามก็อยากขึ้นน้อยตัวลงมากเท่านั้นเพราะนั้นว่าเราได้คําตอบว่าไตรลักษ์กับอุทยาวิญาเนี่ยเป็นตัวไอ้ประธานโทษเป็นอาการของตัวสภาวะธรรมอันนี้จังไม่เที่ยงทุกครั้งอนันต า, านี่นะที่ผมคัดนิยามความที่หนึ่งสั้นๆมาบอกว่าเป็นอันนี้จังเพราะว่า แปล ว, ว่าความสิ้นไปคือมีแล้วกลับไม่มีมีแล้วกลับไม่มีขนะรูปขนะนามนั้นมีเคยมีแล้วหายไปไม่กลับคืนมาอีกเลยนามรูปนะเรียกว่าอ น, นิจจ์แล้วก็ทุกขังเป็นไผ่คือเป็นสิ่งน่ากลัวอันนี้ก็เป็นมุมของความที่มันทนอยู่ที่ทีเราพูดว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แต่ว่าที่ ให้ความรู้สึกก็คือมันเป็นภัยเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วก็อนัตตาความหาสาระมิได้ไม่มีสาระคืออัตตาไอ้ตรงนี้นะ <c oughs> ผมเลยขอแทรกที่มีคุณหมอถามคราวที่แล้วเมื่อจบความบรรยายว่าอันนี้มันมาเข้ากับตรงนี้เลยว่า เราทําบุญทํากุศลเนี่ยทําแล้วก็ไอคนทําไม่ได้กินคนกินไม่ได้ทําใช่ไหมเพราะมันอนัตตาแล้วมก็เลยชวนให้ไม่อยากทำํำนี่บางคนก็เลยชวนไม่อยากทำํำไอทําไปก็ฝืนทําไปก็คือเอ๊ะมันจะได้ดีอะไรขึ้นมามันคุ้มค่าทำไหมอยู่เฉยๆดีกว่ามใช่ไหมแล้วเราก็ลืมไปแล้วชาติีแล้วเราทําอะไรชาตินี้เราทําไปกินชาติใหม่ไอตอนกินก็ลืมไปแล้วมันทําให้ไอความรู้สึก เห็นแก่ตัวของเราเนี่ยมันเข้ามาคิดว่าอย่าใช่ไหมเหมือนอย่างคนนึกว่าเขากับเราเนี่ยอะไรมันไม่มีเราแล้วก็ไปไอความโอบอ้อมอารีมันก็ชักอ่อนตัวลงนะยิ่งเขาแรงเราแรงก็เห็นแก่ตัวแรงไม่เห็นแก่เขาแรงนะีไม่ใช่เห็นแก่เขานะไม่เห็นแก่เขาทีนี้ตรงนี้อารมณ์วิปัสสนานี่ก็คือท่านที่ถามเนี่ยถามด้วยอารมณ์วิปัสสนาว่า <c oughs> พูดแล้วมันก็น่าใจหายนะแต่จาเป็นต้องพูดพูดได้หายไปเลยหายสนิทไปเลยนี่ละคือความไม่มีสาระอะไรเลยถ้าเราทนกับไอ้ความรู้สึกมันไม่มีสาระอะไรเลยได้แสดงว่าดวงกูศและจิตเราแข็งและคนเป็นอรหันต์ได้นี่คือเห็นไม่มีสาระแล้วทนมันได้ไม่รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเสียดาย ได้ต้องต้องจิตถึงแล้วต้องต้องไปเห็นอย่างนี้ด้วยครับอย่างเช่นบุญที่เราทําเนี่ยเรามามองดูอย่างถอดความเป็นตัวเป็นตนแล้วการสืบต่อนะแต่เราคิดว่าเราเราอามาตะมันก็น่าทํานะไอความรู้สึกยึดมันคิดว่าน่าทำจะเอาเป็นสารณะทุกถึงทุกอย่างไปแต่พอเห็นว่าตัวตนไม่มีเกิดดับสืบต่อคิดในขั้นในผลก็ชะกวันไหวแล้วว่าเอ๊ะทำแล้วเราทําไมลืมนะถึงไม่ลืมถ้ามัน ไม่ใช่เรามันก็ยังไม่น่าทำไม่น่าทำมากใช่ไหมฮะมันก็ไอความรู้สึกนี่มก็เข้ามาซึ่งไอเวลาตอบเนี่ยเราไม่พยายามจะตอบว่ามันมีเป็นเราอยู่ตรงไหนยังไงเพื่อให้ชื่นชมว่ามีเราอยู่มันไม่มีไม่ใช่เราจริงๆแต่ไอความไม่ใช่เราก็ความควรทาควรรู้มันควรละเรื่องกันนะความไม่ใช่เราไอทำอย่างหนึ่งไม่ควรทาเห็นว่าไม่ใช่เรา ความควรทำมันมีอย่างหนึง่งเพราะนั้นพระอาหารหันเนี่ยทำบุญศูนย์เปล่าจริงๆนะการรู้การเห็นอะไรก็ศูนย์เปล่าหมดจริงๆนี่คือความไม่มีสาระไม่มีใครทำไม่มีใครถูกทำทำแล้วไม่มีใครได้อย่างเป็นสาระท่านเพงบอกว่าหาสาระไม่ได้ทั้ง บุญทั้งบาปทั้งความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ท่านและท่านทิ้งท้ายยังไงในพุทธคดเพราะฉะนั้นแหละีิสูจ์ทั้งหลายเธอจึงเบื่อเธอจึงควรเบื่อควรหน่ายควรคลายกำหนัดในรูปในนามบางในสังสารวัตร บ, บางู้อย่างนี้ยิ่งใจหายไปกันใหญ่เลยรับไปกันใหญ่เลยใช่ไมถ้าเราเอาความรู้สึก ไม่สมมติฐานยอมรับไว้สักหน่อยเนี่ยว้าเหวไปกันใหญ่เลยไม่อยากทำอะไรไปกันใหญ่เลยหรืออยากทำไอที่มันตรงกันข้ามไปกันใหญ่เลยไม่อยากรับความเป็นอนัตตามาไว้ในความสานึกไปกันใหญ่เลยแต่มันต้องเป็นอย่างนี้ฮมันไม่มีสลามองดูอย่างไอชีวิตเราเนี่ยบางทีเราก็มาเทียบกับความรู้สึกเรานี่มันก็ดูไม่มีสาระอะไรนะ ถามว่าเอกอาหารที่กินมา่อสิบปีที่แล้วตอนกินทำไมมันเป็นสาระมากตื่นเต้นมากพิธีพิธีการมากกินแล้วเหลืออะไรไหมขนาดนี้ไอ้ที่จะกินวันนี้จะเป็นอมะตะเป็นสาระอะไรเอาเป็นสารณะได้ไหมไม่แล้วกินทําไมถามว่าแล้วกินทําไมก็อย่ากินที่ตัวอย่ากินด้วยมีลูกก็อย่าป้อนนมป้อนกล้วยด้วยอย่าให้ใครกินด้วยอย่าเลี้ยงใครด้วย ใครเข้ามาชวในให้เลี้ยงข้าวแล้วก็ตะคอกสายนาบอกกินแล้วก็าตอนนั้นไม่มีสาระอย่างนี้ไม่ไม่สมควรนะเลยพระเจ้าไม่ต้องใส่บาตรใส่อะไรก็แล้วใช่ไหมละ่ะไม่มีสาระเพราะนั้นความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะต้องรู้แล้วก็การจะทําอย่างไรให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นอย่างที่ควรจะทําและทําอย่างไรไม่สอดคล้องมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องแยกแยะเพราะฉะนั้น มันกลับเป็นอย่างนี้ว่าพระอริยะที่เห็นความไม่มีสาระอย่างนี้ท่านกลับปฏิบัติตัวสอดคล้องมากกว่าสอดคล้องกลมกลืนกับอะไรอะไรกับคนกับสังคมเนี่ยมากกว่าถูกไหมมีความสอดคล้องสูงคนที่ไม่ได้เห็นอย่างนี้กลับมีความสอดคล้องต่ำหรือมีความขัดแย้งมาก ผมเข้าใจว่าผมพูดอย่างนี้และหลายคนจะลําลึกถึงความรู้สึกของทางปฏิบัติอย่างที่ตัวเองได้เคยปฏิบัติมาพอได้บ้างและลองนึกดูว่าเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกใจหายกลัวด้วยจิตเป็นอกุศลหรือเกิดความปล่อยวางเนี่ยมันจะเข้ามาตีกันตรงนี้หรอครับ อ้กเลสเนี่ยมันมันเข้าตีมาเทียบเราไปเรื่อยเป็นเหาจับกรรมฐานไปเรื่อยเลย แ, แล้วเราต้องดูให้ออกด้วยรูจ้จ่าท่านบอกต้องแยกจิตเป็นสองส่วนเสมอว่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลต้องแยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกแล้วเราก็จะไปสาคัญความรู้สึกที่เป็นอกุศลว่าเป็นกุศลแล้วมันก็เกิดปรากฏการทางพฤติกรรมทางความสํานึกในทางผิดความไม่แช่มชื่นความไม่ปรีติไม่ปราโมทย์ก็จะเกิดขึ้น กับเราชั้นสูงครับเราจะต้องไปเจออย่างนี้แต่ว่าชั้นต่ําเนี่ยเราอาจจะทํากรรมฐานแล้วก็มันมีผลอะไรอย่างใกล้พื้นพอไม่ผิดหูผิดตากิเลสมากนักไม่รู้สึกตื่นตระหนกอะไรมากนักไม่รู้สึกว่าใจหงแย่หายอะไรนะแต่พอไปถึงตรงนี้แล้วจะต้องมีมีอย่างที่หว่านะเราก็จะต้องดูให้ดีต้องควบคุมให้ดี เพราะฉะนั้นคําในพุทธพจน์ที่เราจะเจอบ่อยเนี่ยพอเรานึกตรงนี้เราก็อุ่นใจเข้าใจเพราะฉะนั้นแหละเธอจึงควรเบือ่อไอ้คําเนี่ยนะควรเบือ่อหรือเพราะฉะนั้นแหละสังสาระจึงน่าเบื่อหนายน่าคลายกําหนัดหน้าที่จะหลุดพ้นพอที่จะหลุดพ้นด้วยการรู้อย่างนี้นะเราคนนึกก็เอถ้า ได้ความรู้สึกอย่างนี้แล้วออกจากข้องอมรฐานเนี่ยคงเหมือนเหมือนผีดิบเลยนะเดินถือออกมาเลยยังงั้นหรือเปล่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นถ้าลองปลดความคิดไอ้ทางผิดออกไปได้แล้วเข้าใจตรงนี้ได้มันกลายเป็นโล่งเบาโล่งเบาเหมือนกับเราเป็นไอเศษผงเศษหนึ่งที่แล้วแต่ลมจะเป่าขนาดอยู่บนโลกนีแต่ละคนก็เป็นเศษผงเศษหนึ่งถูก ลมเป่าปลิวอยู่บนโลกปลิวไปปลิวมาหาสาระอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าดีอยู่เฉยๆเนี่ยมันมีแก่นสารแล้วไปทําให้เสียแก่นสารใครก็ชอบแก่นสารแล้วก็ทํำไ้ให้มันหมดแก่นสารตรงนี้เราพระพุทธเจา้าท่านก็กลัวบอกว่าเนี่ยถ้าบุคคลใดสําคัญสิ่งที่ไม่เป็นแก่นว่าเป็นแก่นความทุกข์มันเกิดพ้นทุกข์ไม่ได้ ทีนี้เอาไปทําอย่างนี้แล้วไปเห็นแก่นหรือไม่เห็นแก่นต่อว่าสําคัญสิ่งที่ไม่ใช่แก่นคือไม่ใช่สาระว่าไม่ใช่สาระแล้วก็เห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสาระสูงสุดก็คือพระนิพพานมีนิพพานเป็นสาระวิมุตติสาระสาระสูงสุดแม่ศีลก็ไม่ใช่สาระแท้แม้สมาธิแม้ยานัศนะก็ไม่ใช่สาระแท้ อ่านต่อไปที่ท่านกล่าวถึงอุทยาวิยะว่าความเกิดกับความดับความจริงความเกิดกับความดับเนี่ยมันมีทั้งกว้างมีทั้งแคบนะใช้ได้ทั้งนั้นนะอย่างเช่นวัยของเราเนี้ยก็เป็นสันตติของรูปของนามของกว้างแต่ว่าวิยะที่ใช้กับ อารมณ์ของวิปัสนาขั้นลึกเนี่ยช่านหมายถึงขั้นย่อยขนานย่อยคืออุทยาวิยมีขณะเกิดกับขณะใสขณะตั้งอยู่ไปด้วยแล้วขณะดับแต่ขณะที่เป็นที่อาศัยเป็นประโยชน์ของวิปัสนาคิอขณะเกิดกับขณะดับไอ้ขณะตั้งอยู่เนี่ยมันมันก็ปรากฏอยู่เรา ชินมากับขณะตั้งอยู่เมื่อได้ยานที่หนึ่งแล้วนในความตั้งอยู่โดยสำคัญความตั้งอยู่ที่เป็นปรรมัดอันหนึ่งความตั้งอยู่ที่เป็นสมมติอันหนึ่งในความตั้งอยู่ที่เป็นปรมนนมปนปรมมัดนั่นคือยาตาปริญญาได้มาแล้วแล้วก็มากําหนดลึกลงไปจนเห็นความดับไปเออผมถ้าจะข้ามข้อความหนึ่งไปที เราน่าจะมาดูกันสักนิดหนึ่งพลิกไปหน้าหนึ่งอีกทีผมคงจะข้ามไปใช่ไหมครับหน้าหนึ่งหัวข้อที่สามที่ท่านนิยามคำว่าปริญญาปริญเยธรรมแล้วก็ใช้คำพูดไว้อย่างรับซึงมาก ในศัทธรมประกาศนีที่บอกว่าจริงผมอ่านตรงข้อความนี้ในในบทพยายามอธิบายทึ้งคําว่าปริญญาปัญญาเนี่ยนะซึ่งเป็นปัญญาเครื่องรู้จริงอยู่ปัญญานั้นท่านเรียกว่าปริญญาเพราะอธิบายด้วยปริศัพ์คํานีนะ้เป็นคําที่ให้น้ําหนักในทางลึกคือมีอัดว่าซึมซาบไปรอบ ซึมซาบไปโดยรอบคือทั่วถึงซึมซาบเข้าไปสู่เนื้อในของนามและลูกเนื้อในของนามลูกก็คืออนิจจังทุกขังนัตตาเนื้อในมันกลายเป็นโพรงกลายเป็นโพรงไม่ได้มีแก่นเหมือนต้นไม้มีแก่นเพราะเป็นโพงรงเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาปฏิจึงแปลว่าซึมซาบเข้าไปรอบยานนี้ซึมเข้าไปข้างในไม่ได้ดูใจพ้องนอกเห็นอาการภายใน ดังนี้คือคำว่าซึมซาบไปรอบโดยสามาถแห่งสามัญลักษณะคือซึมซาบเข้าไปเห็นสามัญลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นตรงนี้อันหนึ่งหรือด้วยปรยิเนี่ยหรือด้วยสามารถแห่งการเข้าถึงจิตของตนจิตของตนคืออะไรคือการกําหนดรู้จิตของตนคือการกําหนดรู้ ทำกิจอย่างสมบูรณ์ในความเป็นปริญญาปัญญาหรือตีรณะปริญญาตรงนี้ก็เป็นข้อที่เลยเลยกลับเข้าไปย้อนไปนิดหนึ่งก็เป็นอันว่าเรื่องญาณกับอารมณ์ของญาณเนี่ยมันต้องได้ดุลกันนะต้องได้ดุลกันคือหมายความว่าดุลแห่งศักยภาพอย่าง นามรูปเนี่ยมันมีความเป็นอนิจจังอยู่ข้างในถ้ายานไม่ลึกซึ้งพอไม่คมพอแทงลึกเข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่ได้นั้นที่เห็นสามัญลักษณะได้อย่างลึกก็เพราะยานนั้นลึกนั้นอเวลาพระผู้มีพราภาคทรงประกาศพรหมจักรธรรมจักรเนี่ยอ่นยังบอกว่าความ